เต็มแผน่นดินที่เรือเห็นไหมแล้วดูพระอวาบพระเจ้าสิท่านซอนวาไงไลมันใกล้กันไหมล่ะนี่แล้วขาดซื้อขอศาสนาก็คือพวกเล่าเลยที่เปนไัยไปมันขวา ง, วงอยู่ขลางขวางตามลักถ้ำนะมันก็ไม่ได้ยุ่งอยากอะไรคากิเรนี่นหัวใ จ, จของอกันว่ามันเป็นไพ่มันอยู่บนนั้น หาอะไรมายุ่งอี ก, ก่เราเดียวนี่นะที่ว่าพุมสอนกับพุก็ตายแล้วนั่นก็ไดนหน้าหลังจใจพุมสอนในเราเดียวมากให้แบกนนรกระอยกนันบ่ได้สนใจพวประม า, ะาก็จะเรื่องไหเล่าเลผู้นึ่งสอนแทบเป็นทบตายถอดออกมาจาับตับจากปอดอมาสอนถ้าโูเจ้าก็ออกมจาจับตับจากปอดฮุบโมโหเจ้าฮุกัน เราออกมากสอนเอยงังนวัวจสวนใจปั้งก็เป็นมันแหลบพนุษฉะแหลบะพนิษทะเลจนทะเลถลายเปอยู่น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 ให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นท่านจึงให้นามว่าสวขาตธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นคือว่าสวขาโตพระวตาธรรมโม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 จะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลว ในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะบนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทาถูกทาดีเป็นเครื่องช่วยตนเองให้ทุกน้อยลงพบชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลง ไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นค่าสิทธต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นค่าสิ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 นอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือในพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทาลาดนั่นเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัดต่อทมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้ปัญญาไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของอี่พิษที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัดต่อทำ ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดตรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะ กิเลสแหลมขมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ล่ะค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจขแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งวุน่นวายตั้งแต่ เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื่อใหญ่นั่นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่ า, า, ทานนั่นปิดไม่อยู่เรื่องกุลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่าน เพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอักัจะออกจากอากับิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดับเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยียงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ของใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไป นีนะ่เรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะแต่ขก็อย่างยิงย่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งไดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษเสียมากกว่า โดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพรากนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรณกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดเป็นค่าสึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียนความเพีย้ยนเพียนดู เพียงดัดแปลงเพียงแก้ไขเพียงรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบสติที่ตั้งไว้ไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจิตพิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อ ด, ดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนั่นนี่ดูตรงนี้ ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของส ต, ติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละค่าศึกอยู่ที่ตรงนี้ย่คืออยู่ที่ใจทางเดินของ ห้าสิบนี้ก็อาศัยร่างกายเนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจาจิริยามมารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกําจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ ความชราข่ำครา่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดักแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังคำ่ำก็ด้วยแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราข่าคราหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลาย พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั่งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือจิบหายจากจิตใจของจัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักพ่อในสังหารเหมือนด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักก่อทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าคํำคล้าชะลาลงไปได้ด้วยการถูกทุกถู ก, ถ ก, ถกตีโดยทางความเพียรในแง่ต่างๆ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 โลกนี้จะมีแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคก็คอยแต่วันตายเพราะของสแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่ยู่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ถ่ายเดียวเท่านั้นีกิเลตมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของสแสลงแห่งธรรม แต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกผุนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำคร่าชาลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจรงเป็นธรรมชาติที่จําเป็นต่อโลกเรื่อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรสรู้นี่แหละ คือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุอยง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติธปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก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 แก่ไขซักฟอกหรือชาระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม่ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้ <c oughs> จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตา ย, ตายซึ่งเป็นเรื่องหากกองทุกข์ไปโดยลําดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคาว่า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 ไม่คอยจะจะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษามีโรคภายในจิตใจของจักรไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุเทธเจ้าและพระรหันท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกขทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไป นี่แหะธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์งคจึงเป็นธรรมจําจเป็นและสําคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้ยวยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภ ค, ความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมัน แล้วก็แตกแหนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับใหสัสตว์ตั้งหลายทำกรรมชั่วช้าหลามกโดยมีความหลอกลวงกลออุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมใหเราแสงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำ เพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่แรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นพิเลศมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชํานี้ชํานานคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเสียมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจ ทำความชั่วชา้าละโมกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นมันก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทําไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตต์ต่างๆนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นะเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมาก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 เช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นลายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตําหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันนี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ท่องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติด อกติดใจประดำการต า, ตามกันสุดท้ายไม่ได้ทําไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งมานหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจ จ, จะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอํานาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเชี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปนะดูสิ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 จนกระทั่งไม้บ้านไม้เรือนไปได้ชิพหายบาดปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรื่องของราคาตันหาซึ่มันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องภายต่างคนต่างพยายามรักษา ไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไม่บ้านไม่เมืองไม่สัตว์ไม่บุคคลเต็มโลกเต็มสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินแช่จนกระทั่งถึงโลกกับวินาศหรือขาดสะบ้านเตรตามกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมือง คนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนหุนวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาพรานโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละลายแม่ที่สุดสมณะคือนักบวดเราที่เว้นจากสิ่งนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบ้านไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณบุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่ มันเป็นไั่มันเป็นอยู่โดยหลัรธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบเดินดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอินฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ําๆซักๆา เป็นเดินไปก็ไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดินไปแล้วรับอายนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมัน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 ดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ําพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันทั้งขึ้นทั้งร่องไม่มีคําที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความพลาสุกเย็ยนใจให้โลกทั้งหลายได้รับความสงบเย็ยนใจบ้างมีไหม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 ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะทาเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนรุกจา ก, การบาเพ็ญของท่านเนี่ยเราจรึงได้พอบาเพ็ญ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 ลุมหลงล่ ม, ลมจมไปไม่มีวันฟื้นอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้น <c oughs> นี่เมื่อปราดทั้งหลายแต่ละยุคยลสมัยที่ท่านกราดสรู ป, ประกาศสอนธรรมนั่นละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียา คนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องสอดแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใครต่ออัรถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลก เ, เวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจาก โรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหายอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนานนี้คือธรรมเทศนาของท่านอา้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้น ส, สู่ธรรมละเอียดสู่จิตละเอียดเป็นลำดับลำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้น รายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาเขาหลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทําไมจะไม่หลุดพ้นละ่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผพอใจคือใจสะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้นล้วนก็เข้ากันได้ง่ายบั้นลุทําได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติตันอยู่นี่ถ้าเป็นโรค ก, ก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วอื ยิปจิตันยูก็เช่นเดียวกันเนื้อยะเป็นโรคที่อยู่ในอึ่กลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆแต่มียาเจ้าของอุตส่าห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุก ว, วันนี้เขาเรียกประเภทไอซอันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้องไอซดูแต่ลมหายใจฟอดฟอเท่านั้นนั่น นี่เป็นประเภทหนึ่ง น, นี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาต ร, สรัสดูมีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึงแปดหมื่นปีนี่เจ็ดหมื่นปีสี่หมื่นปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมี ทีนี้แต่ละพระองค์นั้นอ่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเจร็จออกทรงพระนวดเมื่ออายุสี่หมื่นปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั่นอยู่อีกสี่หมื่นปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือชากก้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ ประกาศทำสอนโลกร่วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสเหมาะปราบเพราะธรรมโอสฐ์ของท่านเมืม่อสัตว์ทั้งหลายก็จําเจยอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้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 แล้วนาลองลองนับดูดิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นแหะอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทําประโยชน์ได้มากเพียงไรประธานพระอุม า, าแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทปรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทวบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนที่ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากโอะกันดารทั้งหลาย ในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเย็นกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นไมหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่ลหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเหล่านี้ก็ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่สี่สิบห้าพระพรรษาแล้วจะมาทั้งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้ เป็นประโยชน์แก่โลคเรื่อยมาด้วยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่หละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความท ร, รมานหรือว่าหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอสุดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองคนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในากรกลางแห่งพระพุทธศาสนา คือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพรชนอยู่ประทานพระวาท ด, ด้วยพระโอษของพระองค์เองโดยสวัสดิธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วนี้แล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดําเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจญาล้อแหลกแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความจริงทั้งหลายอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนับความประเสริฐเลิ่นเดินทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการนับความทุกข์ความทรามานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประธานไว้นี้ไม่มี <c oughs> ธรรมบทใดที่เก่าข้ามคล่าหรือคลือหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะใด้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมนี้เป็นอากาลิโก การสถานที่เวลําเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดําเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดําเนินตามสวขารธรรมอย่าข้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสําคัญของยิ่งใหตัญหาเป็นทิฏฐิมาณนะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้า ประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดอกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้แต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสินใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไม่โดยถูกต้องแม่นยำนอกจากกิเลสเท่งนั้นคอยที่จะแทรกจะแซง ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมตั้งไหนดังทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นฆาตศึกน้ําลายกันโจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กีเ่เดทมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสาคัญต น, ตนว่ารู้ว่าฉล า, าดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ําทําลายผู้อื่นในสุดท้ายก็กลายเป็นฆาตศึก ในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในวงแห่งพุทธบริษัทนี้เลื่อยมาจนทั่งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้รู้กันอยู่แล้วนี่นี่แหละกิเลสแสทรทมแทกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทกหัวใจของเราผู้ผปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนะนับน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวนคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้ยา ย่าดื้อเดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดไปตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นไหนไหนเอามาจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอาวาสของมระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอาวาสนี้ไม่เคยทําความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทําโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เหตุใดพระโอาวาสของพระเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอาวาสที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมมีไว้มีหรือไม่มีนี่แหละให้เราเชื่อพระโอาวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอาวาสของท่านผู้สิญนจิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่วความมีกิเลสกิเลสจึงแทรกขึ้นมา เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสําคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สําคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเรวสามสุดท้ายก็เร็วไปหมดเหลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีย้าให้เข้ามาแทรกเสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ไม่ถูกอันนั้นจัดไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นล่ะเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดพระในใจของเราก็เรานั่นแหละ เป็นท่าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอานาจของกิเลสเจ้าความมิประเสริฐเลิอดเลือมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลําบากต้นมาชาติปิตุขาว่าอย่างไร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 ตามพระโอาวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธทางสนางกระฉามินี้ฉามนี้นี้เป็นมัวใจของเราฝากเป็นฝากตายกับท่านแล้วทำมงังสนางกระฉามิสังขังสนางกระฉามนี่นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยที่ฝากเป็นฝากตาได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เต็มไปด้ยวยความศกกระปลอกค้องกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกทานนั้นหลอกทานนี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลว ทั้งเพร่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากพิเดษนานแตนนานมากกว่ามากแล้วให้พากันจดจเพระาวาดนี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอาเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันพระาวาดของพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอยู่นี้เป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันนับพอประมาณแล้วไม่ไม่เคยมีพระาวาัด บทใดบาทใดต้มจัดทั้งหลายให้ล่มจมชิพหายผล ป, ปี้ไม่เคยมีเลยเล่าปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชีพหายเอาให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาทำให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิพหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบแตเราไม่เข็ดไม่หลาบยัง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 อารมณ์แห่งสมถะคือพุโทโธหรือทำบุตรใดก็ตามให้ความรู้แนวอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคําบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แยบแยบแ ย, บ, ยบเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดทําไม่เคยหลอกลวงใครใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของยีเดียดต่างๆกัน คามปุงของทำรรนีเช่นอย่างพุโทโธพุธโทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเือสําหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเร็วซามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมารดังที่เลตพาปุงพาแต่งไปมันผิดกรรมที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณา จ, าจริงจิงดังที่เคยพูดแล้วกรรมาฐานเที่ยวในสกุากายของเรา ทั้งภายนอกภายในเอสาโลมานะขาตันตาแต่จบเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังปืดไตปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิ่เหน็โดยที่เสกสรรปัญญะว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไร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 ความยริงท่านพูดถึงว่าอสุภผ้าอสซภพังมันจะกบกิ่จริงมีนั่นท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระเกี่ยนสารละจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการช่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรแน่ที่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไมไ่สลายนั่นสิมันลําบากนะ เกิดในพบใดชาติใดหฮาบตั้งแต่กรรมชั่วด้วยความพอใจในการทําความไม่ดีของตนผลก็เป็นมิบากอันทุกอันเดือดร้อนมหันตทุกขึ้นมาภายในจิตใจตามมิบากแห่งตนที่ทําไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปะทํางานแทนได้ไระนับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทํานั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านเรียกว่ากรรมสัจโกหมิกรรมดายาดุกรรมเรามีกรรมเป็นของตนน่นแอละ มีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะทันก็บอกไว้แล้วกรรมสัศโกมีธรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมวัตถิชนมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกัน ถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั่นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปไปทางความทุกข์ความลาบากมากน้อยตามอันหนแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่ไหน่ไม่มีใครที่จะแบ่งสรรตันส่วนจากกันและกันได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจรึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทา เรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันแรกเรามีอำนาจทำกรรมเ็เวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจบิบากนะแห่งกรรมนั้นมันมีก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอาเอาเอากลางๆนะให้เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปะรับทานลงไปเรื่อยๆอยก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนม่สร้างถึงความอิ่ แล้วบังคับให้มันเลยก่อนนั้นมันเป็นอย่ไงที่นี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอแล้วเถะนี่เขาเป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากมแล้วเหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ในรู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแขนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่ แต่ตนท้อคมโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การพุทปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งยาหลาะแหละนิสัยหล่อแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักทําแห่งความหล่อแหลกพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หล่อแหลกทำจริงไม่ใช่ทำหล่อแหละพอที่จะสอนคนให้หล่อแหละทํามะให้มีความจริงความตริงไม่สติ มีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละที่ว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไค่ครวนเป็นความเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ความอุตสาหพยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะทำเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคสรงผล แ, แท้ถ้ามีสติมีปัญญา มีความภาคเพลี่ยนมีความอุตสาพยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความความดีนะั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้สรงมรรคผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่างในภาคกันณฑหมอธรรม เพียงเท่านี้อ่ะเป็นคําที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นอย่างไง<ม>อ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ขแขนงของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังอยงนี้ แยกเป็นประเภทอะรเพื่อสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนั่นเป็นยังไงที่นี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ส่งจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคําว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันย่งค่าก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรม ธรรมธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยนี่ธรรมที่กล่าวนี่อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้สง่งแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัส ร, ร, รับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นเป็นผู้สง่งหายสงสัยละ่ะก็คือใจนั่นเนี่จะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลาย ซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำแล้วหล่อแหลกๆนะทำมวยเจ้าไม่นด้พาพวกเราให้หลออแหลกเรามันลหล่อแหลกเองถูกิเลสมันจุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความห ล, ล่อแหลกนั่นอะ มันเยียหัวไปนั่นสิให้หัวคำมํามลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้สูตรทำทั้งหลายไม่ได้มีตั้งแต่ความเราแหละของใจเพราะง่าของกิตเหสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูวาจาร์องค์ไหนองไหนองค์งปรากฏชื่อหรือนามดุกดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เปลี่ยนทเพราะเราทําแบบไม่เปลี่ยนท่าจะเอาอะไรมาเปลี่ยนท่าละ่ะ น, นี่มาศึกษามาเพื่ออะไร ดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี้มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนําต่างสอนอุบายต่างๆแต่นั้นแต่การประกอบความพากเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยเพียงใดนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวัญขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกําลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นมุมดบุดพ้นธรรมของผู้เจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคําว่าลําเอียง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 อะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยๆเราปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เขารบตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกัน ความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดการแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาสบาดหมางซึ่ง ก, ากาันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งโกงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้สแสดงกับกิิยาเป็นแบบโกงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลส อ, ออกสงครามหรือขึ้นเบทีแล้วมเมื่อ อ, อันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้ว จะหาความสงบรุ่มเย็นไม่ได้เลยร้าวราาอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระกจาย น, นี่เราเรื่องของจิเดชไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทาไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันหนังกี่ทุ่มสองทุ่มกว่าท่านปัญญาท่านจะไปนว่นมันแยกกันแล้กหัวหนมไม่ดีให้ไปกท่านปัญญาบินหาท่านปัญญา มีอะไรก็ช่างเถอปะปวิบัตนะิขอให้เป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเมื่อมาก็อาหารอะไรมีก็ก็แจกกันนีะไปในบ้านนีงจะไม่ไหวบวชใหม่งานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการและไม่ชินกับงานนะเพราะเพราะทำพูรเจ้าไม่ให้ชิน ทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้อบอกแล้ววาดิเล่นแล้วยืนเนี่ยดูแล้วใจร้นถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราจึงไม่ให้พาทำอะไรๆวเวลาเราประกอบความภาคเพียนเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ ไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเสบสรรให้เป็นครูเป็นาจารย์น้งหมู่บ้านมาตลอดทุกวนันเราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอ บ, ม, ขอบมีเขตไม่แค่จะทำแบบสุุมสีเฉิมไหวยกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มอง มองตั้งแต่งานเธออยู่ข้างนอกเราทําความเพียรกับอยู่นี่ยเราลองไปทํางานคือเวลามาทําความเพียรมันจะรู้สึกนิดๆอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดๆอย่างน้อยนี้ซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวไงเพราะฉะนั้นนี่จริงไหมไม่ให้งานมันขาดว่าขาดต่องานภายในให้สืบต่อกันโดยลำดับ อุบายวิธีช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอุดนอนผ่อนอาหารอะไรอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วเรานี่อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้ให้คล่องตัวขึ้นไปนี่ใช่มันนั่นจริงๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเพี่ยนมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไรเป็นนาเป็น สวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบงบเงียบเหมือนแต่ก่อนหรือเปลี่ยวๆ เ, เหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทั้งภาคอีสานมีไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่าง เ, เราผ่านปชัชญภูมิออกไปอะไรคลองละลายหรือลิลลา่ละลาย มี่ต่สวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆหญ่านี้ลงต้นเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชชยภูมิออกถุกวงวนมันเป็นดงล้วนๆนี่นั่งรถไปมองสองภาคทางมันก็เห็นทันทีต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเกื่อนเขาเพิ่งทำ น, นี่นะผมตอนผมไปโอ้โหหมดลยอะทีนดียว เ, เข้าไปอำเภอวิชุงวิเขียนมิถ่าป่านั้นนะ่ะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็บอย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนก้าวไปทั้งไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพี่ยนออกสองออกภากทงางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพี่ยนแล้วเป็นป่าแล้วเพราะเราบุกป่าไปนี่ไปไหนก็นี้เดีย๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไร ความโลภมันก็มากไม่มีแต่พิภะเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรอะความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกร้อนมากมายไม่มีใครว่าสบดวกสบายคนนั่นก็บ่างานมาก อ, อนันนี้งานมากกิจการมากกว่ายังมาขู่มึอกินยเต่าเหรอไม่แบ <c oughs> <c oughs> นี้มึงจะบ้ายังงบอล้วเยอะเต่า ไม่ยังไม่เอาน่ามันย่ดีไปอเอาไปไปไปไปไปไปกันบายนั่ยแคร่ไ้นั่งอยุ่่งนีมึงมึงจะเอานี่ที่เนี่ยบากันเนี่ยปลาต้องอยู่เป็นชุกเหยซ้มก่อนนะก่อนที่จะบวชบวช4นี่สห้าไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักงายมันเต็มอยู่ อรื่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรําก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดผีราชเป็นอาจารย์ยยมหมอน้ยๆเมื่อไหร่บวชจากวัดสัปปทุมหรือไรมาแล้วก็มาหาเรานี่มาข อ, อนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดนี่นี่มันฝืนหน้ากันยังไงกันนี่ะบูชาบวชยังไงบวชสุช๊สี่5ุห้ายังไงทำได้เหลว ไ, ไหลนี่วะโอไม่ไหวนะทําอย่างงี้นะวะ มันเหลวไปหมดนั่นน่ะทางรัด ก, ก็เหลวอย่างนี้ทําไงวะหาหลักหาเกณไม่ได้แล้วก็พุ้งกลวงเลยเนะ่ะผมก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งพวกเห็นแก่ทำเนี่ยไม่เห็นแกผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเห น, นือธรรมน่นก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างจิจะให้ความเอากิเด็ดมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยไดานนีน้เสียงกระเละเป ะ, ปะฟังไม่ได้จับไได้แสงเลย มันน่าดูุกระดัวแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมัน ม, มันมากงานทางโลกมมากกว่าเราจะไปปฏิบัติทํางานตั้งทำไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหลืออืมเราะก็จะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิใาโลกโลกมันเดี่ยบมันเรวเวลาไง ไปไหนก็ไม่พ้นแหะที่ว่ากิเลสออกหน้าออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแค่แคแค่แบบ น, นี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาคุ้มค่าฟาัาางฟังเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่ได้ว่าให้หมู่บ้านเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจิตริจนา ด้วยความมีเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือเป็นกิเลสนันบอกแค่ชาติอยู่ในกิริยาที่แสดงออก เ, อเก็บอั น, นี้นะเรื่องนะไร